สะสคลุงกสูรว่าด้วยม้ากระจอกและคนกระจอกภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงม้ากระจอก8ดจำพวกและโทษของม้ากระจอก8ประการคนกระจอก8ดจำพวกและโทษของคนกระจอก8ประการเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงเรียรัสเรื่องนี้ว่า ม้ากระจอก8ดจำพวกและโทษของม้ากระจอก8ประการอะไรบ้างคือ 1. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักตเตือนอยู่ย่อมถอยหลังดันรถให้กลับหลังม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่หนึ่ง 2. ม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารธีสั่งว่า เดินไปถูกแทงด้วยประตากตือนอยู่ย่อมหกหลังดัดทูบให้หักม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่สองม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารธีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตากตือนอยู่ย่อมยกขาขึ้นตะกุยงอนรถทีบงอนรถม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นเช่นนี้ก็มี นี้เป็นโทษของมารกระจอกประการที่สามสมารกระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ย่อมเดินผิดทางทําให้รถไปผิดทางมารกระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของมารกระจอกประการที่สี่ห้ามารกระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไป ถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ย่อมเชิดกายส่วนหน้าเพ่นขึ้นไปม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่ห้าม้ากระจอกบางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ไม่คำนึงถึงนายสารถีไม่คำนึงถึงประตักกัดบังเหียนลีกไปตามความประสงค์ มาระจอก บ, บางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของมากระจอกประการที่ห 7. มจ็กมาระจอก บ, บางตัวในโลกนี้ที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ไม่ก้าวไปไม่ถอยหลังเยืนทื่ออยู่เหมือนเสาเขื่อนณที่ตรงนั้นนั่นเองมากระจอก บ, บางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของมาระจอกประการที่เจ็ป ม้ากระจอก บ, บางตัวในโลกนี้ที่นายสารถิสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตาเตือนอยู่คุกเท้าหน้าและเท้าหลังลงหมอบทับเท้าทั้งสี่อยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองม้ากระจอก บ, บางตัวในโลกนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของม้ากระจอกประการที่8ภิกษุทั้งหลายม้ากระจอก8ดจำพวกและโทษของม้ากระจอก8ประการนี้แหลภิกษุทั้งหลาย คนกระจอกแปะจำพวกและโทษของคนกระจอกแปประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้โจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทย์ด้วยอาบัตินั้นย่อมอัมพรางอาบัตไว้เพราะระลึกไม่ได้ว่าผมระลึกไม่ได้ผมระลึกไม่ได้รไไดเรากล่าวปรีบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่า เดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็ถอยหลังดันรถให้กลับหลังฉะนั้นคนกระจอก บ, บางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่หนึ่ ง, งษุทุทั้งหลายโจยภิกสุด้วยอาบัตภิกธสุรูปที่ถูกผู้พิกธิสุโจทด้วยอาบัตานั้นโต้ต่อภิกษสุผู้เป็นโจอว่าการกล่าวของท่านผู้เป็นคนพานไม่เฉียบแหลมจะมีประโยชน์อะไรเล่า ท่านเองย่อมเข้าใจสิ่งที่ควรพูดเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตาเตือนอยู่ก็หกหลังดัดทูบให้หักฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่สองสาภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุด้วยอาบัต ภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจดด้วยอาบัตนั้นกลับยกอาบัตขึ้นปรับภิกษุผู้เป็นโจดว่าท่านเองก็ต้องอาบัตชื่อนี้ท่านจงทําคืนเสียก่อนเรากล่าวเปลีอบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็ยกขาขึ้นตะกุยงอนรถถีบงอนรถฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มี นี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่สามสี่ภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทย์ด้วยอาบัตนั้นพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงอาการโกรธขัดเคืองและไม่พอใจเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเดินอยู่ก็เดินผิดทางทาให้รถไปผิดทางฉะนั้น คนกระจอก บ, บางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่ส 5. ภิกษุททั้งหลายโจทย์ภุกษุด้วยอาบัตพุทธสูรรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทย์ด้วยอาบัตนั้นกลับแวงแขนในถ้ำกลางสงเรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตกเตือนอยู่เชิดกายด้านหน้า เพนขึ้นไปฉะนั้นคนกระจอก บ, บางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่ห 6. ภิกษุทั้งหลายโจดภิกษุด้วยอาบัตภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจดด้วยอาบัตนั้นไม่เอื้อเฟื้อสง์ไม่เอื้อเฟื้อภิกษุผู้เป็นโจด ท, ทั้งที่มีอาบัติติดตัวอยู่ก็หลีกไปตามความประสงค์เรากล่าวเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่า เหมือนมากระจอกที่นายสารถีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักตเตือนอยู่ก็ไม่คำนึงถึงนายสารถีไม่คำนึงถึงประตักกัดบังเฮียนลีกไปตามประสงค์ฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ข้อมีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่ห 7. ภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุด้วยอาบัตภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจทย์ด้วยอาบัตนั้น กล่าวอย่างนี้ว่าผมไม่ได้ต้องอาบัดเลยผมไม่ได้ต้องอาบัดเลยเธอใช้ความนิ่งถ้าไม่สงลำบากเรากล่าวเปรือกบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารธีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตักเตือนอยู่ก็ไม่ก้าวไปไม่ถอยกลับยืนทื่ออยู่เหมือนเสาเขื่อนณที่ตรงนั้นนั่นเองฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นอย่างนี้ก็มี นี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่เจ็ดแภิกษุทั้งหลายโจรภิกษุด้วยอาบัตภิกษุรูปที่ถูกพวกภิกษุโจรด้วยอาบัตนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าทําไมหนอท่านผู้มีอายุทั้งหลายจึงพยายามกล่าวหาผมนักเอาละผมจับบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครห์หัดเธอบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครห์หัดแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าบัตนี้ ขอท่านผู้มีอายุทั้งหลายโปรดเบาใจเถิดเรากล่าวปรีบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนม้ากระจอกที่นายสารธีสั่งว่าเดินไปถูกแทงด้วยประตาเตือนอยู่คุกเท้าหน้าและเท้าหลังลงหมอบทับเท้าทั้งสี่อยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองฉะนั้นคนกระจอกบางคนในธรรมวิไนนี้เป็นอย่างนี้ก็มีนี้เป็นโทษของคนกระจอกประการที่แป ภิกษุทั้งหลายคนกระจอกแปดจำพวกและโทษของคนกระจอกแปดประการนี้แหลอาสะคลุงกสะสูที่สจบ 3. มละสูรว่าด้วยมนทิน ภิกษุทั้งหลายมนทินความมัวหมองแปดประการนี้มนทินแปดประการอะไรบ้างคือหนมนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทิน 2. เรือนมีความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นมนทิน 3. ผิวพันมีความเกียดคร้านเป็นมนทิน 4. ผู้รักษามีความประมาทเป็นมนทิน 5. ้สตรีมีความประพฤติชั่วเป็นมนทิน หผู้ให้มีความตรหนีเป็นมนทิน 7. บาปอกุศลธรรมเป็นมนทินทั้งในโลกนี้และโลกหน้า 8. มนทินที่ยิ่งกว่ามนทินนั้นคืออวิชาภิกษุทั้งหลายมนทิน8ประการนี้แหลมนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินเรือนมีความไม่ขยันหมั่นเพียรเป็นมนทินผิวพันมีความเกียดคร้านเป็นมนทิน ผู้รักษามีความประมาทเป็นมนทินสตรีมีความประพฤติ ช, ชั่วเป็นมนทินผู้ให้มีความตระหนีเป็นมนฑินบาปทำเป็นมนทิ น, รร น, น, ท, นทั้งในโลกนี้และโลกหน้ามนทินที่ยิ่งกว่ามนทินนั้นคืออวิชชามละสูตรที่ห้าจบ 6. ทูเตยสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของทูตภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบด้วยทำแปดประการควรทำหน้าที่ทูตได้ทำแปประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. รู้จักฟัง 2. สามารถพูดให้ผู้อื่นฟังได้ 3. าใฝ่ศึกษา 4. ทรงจำได้ดี 5. เป็นผู้รู้ได้เข้าใจชัด 6. สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 7. ฉลาดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ 8. ไม่ก่อความทะเลาะวิวาทภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมแปประการนิแลควรทําหน้าที่ทูได้ภิกษุทั้งหลายสารีบุตรประกอบด้วยธรรมแปประการควรทําหน้าที่ทูดได้ทํามแปรร ป, รรรดดประการอะไรบ้างคือในธรรมวิไนนี้สารีบุตร 1. รู้จักฟัง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 ควรทำหน้าที่ทู่ได้ภิกษุผู้เข้าสู่ชุมชนที่โตเถียงกันอย่างรุนแรงก็ไม่สะทกสะทานไม่ทำคำพูดให้เสียหายไม่ปกปิดข่าวสารชี้แจงอย่างไม่มีข้อสงสัยถูกย้อนถามก็ไม่โกรธภิกษุผู้มีลักษณะเช่นนั้นแลควรทำหน้าที่ทู่ได้ทูเตยสูที่หจบ 7. ปฐมพันธนสูตร ว่าด้วยอาการที่เป็นเครื่องผูกใจสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยอาการแปดอย่างอาการแปดอย่างอะไรบ้างคือ 1. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยรูป 2. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยรอยยิ้ม 3. สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยวาจา 4. สตรีย่อมผูบุรุษไว้ได้ด้วยมารยาทห้สตรีย่อมผูบุรุษไว้ได้ด้วยดอกไม้หรือผลไม้ที่หักมาจากป่า 6. สตรีย่อมผูบุรุษไว้ได้ด้วยกลิ่น 7. สตรีย่อมผูบุรุษไว้ได้ด้วยรถ 8. สตรีย่อมผูบุรุษไว้ได้ด้วยผัสสะภิกษุทั้งหลาย สตรีย่อมผูกบุรุษไว้ได้ด้วยอาการ8ดอย่างนี้แลสซาที่ถูกผัสสะผูกไว้ชื่อว่าถูกผูกไว้ด้วยดีปัธมพันทะสูตรที่เจ็จบ 8. ทุติยพันทะนสูตรว่าด้วยอาการที่เป็นเครื่องผูกใจสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายบุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยอาการ8ดอย่าง อาการแปดอย่างอะไรบ้างคือ 1. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรูป 2. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรอยยิ้ม 3. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยวาจา 4. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยมารยาทหบุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยดอกไม้หรือผลไม้ที่หักมาจากป่า 6. บุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยกลิ่นเจ็ดบุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยรส 8. ดบุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยผัสสะภิกสุทั้งหลายบุรุษย่อมผูกสตรีไว้ได้ด้วยอาการ8ปอย่างนี้แลสัตที่ถูกผัสสะผูกไว้ชื่อว่าถูกผูกไว้ด้วยดีทุติยพันธนสูตรที่8จบ พหาราธาสูตรว่าด้วยท้าพหาราธาจอมอสูรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณควงต้นเสดาอันเป็นที่อยู่ของนเลรุยักษ์เขตเมืองเวรัญชาครั้งนั้นท้าปหาราธาจอมอสูรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าปหาราทาจอมอสูนดังนี้ว่าปหาราทะพวกอสูนต่างพากันยินดีในมหาสมุทรบ้างไหมท้าปหาราทาจอมอสูนกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกอสูนต่างพากันยินดีในมหาสมุทรพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่ า, ป, า, า, ห า, วาปหาราทะในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจ ร, รรย์ไม่เคยปรากฏเท่าไร ที่ผู้อสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรท้าปหาราทะจอมอสูรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่ผู้อสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการอะไรบ้างคือ 1. มหาสมุทรตามไปโดยลาดับล่าไปโดยลาดับ ลึกลงไปโดยลําดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีการที่มหาสมุทรตาไปโดยลําดับล่าไปโดยลําดับลึกลงไปโดยลําดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรสมหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝั่ง การที่มหาสมุทรมีปกติคงที่ไม่ล้นฝัง่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรส ม, มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนโบกทันทีการที่มหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพย่อมซัดซากศพขึ้นฝั่งจนถึงบนโบกทันที นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรมหานาทีทุกสายคือคงคายมุนาอาจิรวดีสารพูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นการที่มหานาทีทุกสายคือคงคายมุนา อาจิรวดีโสระผูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิ้นนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรแม่น้ำสายใดสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้า ก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้การที่แม่น้ำสายใดส า, ายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทำให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร 6. มหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็ม การที่มหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่6ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรเมหาสมุทรมีรัตนามากมีรัตน์หลายชนิดคือแก้วมุกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมว การที่มหาสมุทรมีรัตนมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมกดาแก้วมณีแก้วไพลทูลสังศิลาแก้วประพานเงินทองทัพทิมแก้วตาแมวนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่7ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรแมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่ คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละอสูรนาคนทันมีลำตัวร้อยโยกด้ก็มีมีลำตัวสองร้อยโยกด้ก็มีมีลำตัวสามร้อยโยกด้ก็มีมีลำตัวสี่ร้อยโยกด้ก็มีมีลำตัวห้าร้อยโยกด้ก็มีก <Beautiful> ารที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละ อสูรนาคคนทันมีลำตัวร้อยโยตก็มีละถึงมีลำตัวสามร้อยโยตก็มีมีลำตัวสี0ร้อยโยตก็มีมีลำตัวห้าร้อยโยตก็มีนี้เป็นสิ่งที่น่าอาจจัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่แปในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการนี้แหลที่พวกอรสนพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปหาราทะภิกษุทั้งหลายต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ถ้าปหาราทะจอมรสนทูลถามว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญในธรรมวิัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏเท่าไหร่ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินยัยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปหาราทะในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิยัย ทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปรประการอะไรบ้างคือ 1. ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลําดับมีการบําเพ็ญไปตามลําดับมีการปฏิบัติไปตามลําดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรตามไปโดยลําดับลาดไปโดยลําดับลึกลงไปโดยลําดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีการที่ธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลําดับ มีการบำเพ็ญไปตามลำดับมีการปฏิบัติไปตามลำดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 2. สาวพวกทั้งหลายของเราย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต เหมือนมหาสมุทรที่มีปกติคงที่ไม่ล้นฟัง่งการที่สาวกทั้งหลายของเราไม่เลื่มเมื่อศึกษาบทที่เราบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สองในธรรมวิ น, นัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิ น, นัยนี้ 3. บุคคลใดผู้ทุศีลมีธรรมเลวทามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจ มีการงานปกปิดไม่ใช่สมณะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อสงก็ไม่อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นย่อมประชุมกันนำเธอออกไปทันทีแม้เธอจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงก็ยังห่างไกลจากสงและสงก็ห่างไกลจากเธอเหมือนมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพ ย่อมซัดซากศพขึ้นฟังจนถึงบนบกทันทีการที่บุคคลใดผู้ทุศีลมีทำเลวซามไม่สะอาดมีความประพฤติที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารีเน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อสงไม่อยู่ร่วมกับบุคคล น, นั้นย่อมประชุมกันนำเธอออกไปทันที แม้เธอจะนั่งอยู่ในถ้ำกลางภิกษุสงฆ์ก็ยังห่างไกลจากสงฆ์และสงฆ์ก็ห่างไกลจากเธอนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สามในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 4. วันณะสี่เหล่านี้คือกษัตริย์พราหมณ์แพทยสูตรออกจากเรือนบว์เป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้ว ย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสักยบุตรทั้งสิน้นเหมือนมหานาทีทุกสายคือคงคายมุนาอาจิราวดีสรภูมหีไหลลงสู่มหาสมุทรแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่ามหาสมุทรทั้งสิน้นการที่วรนละสี่เหล่านี้คือขษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินยัย ที่ตถาคตรประกาศแล้วย่อมละชื่อและโคดเดิมของตนรวมเรียกว่าสมณะสักยะบุตรทั้งสิ้นนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 5. แม้หากภิกษุจำนวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุก็ไม่ทาให้นิพานพร่องหรือเต็มได้ เหมือนแม่น้ำสายใดายสายหนึ่งในโลกที่ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรและสายฝนตกลงจากฟากฟ้าก็ไม่ทําให้มหาสมุทรพร่องหรือเต็มได้การที่แม้หากภิกษุจํานวนมากปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุก็ไม่ทําให้นิพานพร่องหรือเต็มได้นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลาย เห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้หกธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุติรสเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มการที่ธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุติรสนี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่6ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ ธรรมวิไนัยนี้มีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือสติประธาน 4, สีสมมาประธานสอิทิบาทส 4, อินรียห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมัคมีองค์8เหมือนมหาสมุทรที่มีรัตนะมากมีรัตนะหลายชนิดคือแก้วมุกดากแก้วมณีแก้วไพฑูรย์สังศิลาแก้วประพานเงินทองทับทิมแก้วตาแมว การที่ธรรมวินัยนี้มีรัตนมากมีรัตนะหลายชนิดคือสติประฐาน 4, สัสมมาประธาน4อิทิบาท4อินสี่ห้พละหโพชฌงเจอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่7ในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ 8. ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่ คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสโสดาปฏิพล์พระสกะทาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอน า, าคามิผลพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละ ปลาติมิระ ม, มิงคละอสูนนาคนทันมีลำตัวร้อโยต์ก็มีมีลำตัวสองรอยโยต์ก็มีมีลำตัวสามร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวสี่ร้อยโยต์ก็มีมีลำตัวห้าร้อยโยต์ก็มีการที่ธ ร, รมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพัธ์พระสกะทาคามี บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งสกทาคามิผลพระอนาคามีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลพระอรหันต์บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลนี้เป็นธรรมที่น่าอาจจัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ในธรรมวิ น, นัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ปะหาราทะ ในธรรมวินัยนี้มีธรรมที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการนี้แลที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้พระหาราทสูตรที่9จบ ปูโปสัทสูตรว่าด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงปาติโมะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารามาตาเข ค, ครุงสาวถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในวันอุโบสถเมื่อราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้ว ท่านพระอาณนลูกจากอาสนะหมอุตราสง์ฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เรียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วปฐมยามผ่านไปแล้วภิกษุสง์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่พิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อท่านพระอาณนล์กราบทูลอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคทรงนิ่งแม้ครั้งที่สองเมื่อราตรีผ่านไปแล้วมชิมัยามผ่านไปแล้วท่านพระอานนท์ลูกจากอาสนะโฮมอุตราสงชเวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เดียกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วมชิมัยามผ่านไปแล้วภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาค ทรงโปรดยกพระปาติโมขึ้นแสดงแก่พิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สามเมื่อราตรีผ่านไปแล้วมชิมายามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณเริ่มสว่างท่านพระอานุนลุกจากอาสนะโฮมอุตราสง์ฉวียงบาประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญราตรีผ่านไปแล้วมัชฌิมยามผ่านไปแล้วยามรุ่งอรุณเริ่มสว่างภิกษุสงฆ์นั่งรออยู่นานแล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงโปรดยกพระปฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน o ์บริสัทธ์ไม่บริสุทธิ์ลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้มีความคิดดังนี้ว่า พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ว่าอานนท์บริสัทธ์ไม่บริรสุทธิ์ทรงหมายถึงใครกันแล้วจึงกำหนดจิตของภิกษุด้วยจิตของตนแล้วตรวจดูภิกษุสงฆ์ทุกรูปจึงได้เห็นบุคคลผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามไม่สะอาดมีความประพฤติ ท, ที่น่ารังเกียจมีการงานปกปิดไม่ใช่สมณนะแต่ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่ใช่พรหมจารีแต่ปฏิญญาว่าเป็นพรหมจารี เน่าภายในชุ่มด้วยราคะเป็นเหมือนอยากเยื่อนั่งอยู่ในถ้ากลางสงนั้นครั้นเห็นแล้วจึงลุกจากอาชนะเข้าไปหาบุคคล น, นั้นได้กล่าวกับบุคคล น, นั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาดกับภิกษุทั้งหลายเมื่อพระมหาโมฆลานะกล่าวอย่างนี้แล้วบุคคล น, นั้นก็ยังนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สอง พระมหาโมคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สองภิกษุนั้นก็ยังนิ่งอยู่แม้ครั้งที่สาท่านพระมหาโมคลานะก็ได้กล่าวกับบุคคลนั้นว่าท่านจงลุกขึ้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นท่านแล้วท่านไม่มีสังวาสกับภิกษุทั้งหลายแม้ครั้งที่สาม บุคคลนั้นก็ยังนิ่งอยู่ครั้นแล้วท่านพระมหาโมคคลานะจึงจับแขนเขาชูให้ออกไปภายนอกซุ้มประตูใส่กรอนแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ให้บุคคลนั้นออกไปพ้นแล้วบริสัทธ์บริสุทธิ์แล้วขอพระผู้มีพระภาค ทรงโปรดยกพระปฏติโมขึ้นแสดงแก่พิกษุทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าน่างอัศจรร์จริงไม่เคยปรากฏโมคลานะโมฆะบุรุษนี้ดื้ออยู่จนต้องฉุดแขนไล่ออกไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกพิษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตั้งแต่บัดนี้ไปเธอทั้งหลายพึงทําอุโบสถพึงยกปาติโมขึ้นแสดง ภิกษุทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทำอุโบสถจกไม่ยกปาติโมขึ้นแสดงภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะยกปาติโมขึ้นแสดงในเมื่อบริษัทไม่บริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอาจจัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่พวกอาศูนพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร สิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการอะไรบ้างคือหนึ่งมหาสมุทรต่ำไปโดยลำดับล่าไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีการที่มหาสมุทรต่ำไปโดยลำดับล่าไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้ว ต่างพากันยินดีในมหาสมุทรละถึง8มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคละอาสูนน้าคนทันมีลำตัวร้อยโยกดก็มีละถึงมีลำตัวห้าร้อยโยกดก็มีการที่มหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละปลาติมิระมิงคาละ อสูรหน่าคนทันมีลำตัวร้อยโยศก็มีละถึงมีลำตัวห้าร้ยโยศก็มีนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ในมหาสมุทรที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทรภิกษุทั้งหลายในมหาสมุทรมีสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปประการนี้แลที่พวกอสูรพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในมหาสมุทร ภิกษุทั้งหลายในทํานองเดียวกันในธรรมวิไนนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8 ป, ประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิไนนี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8 ป, ประการอะไรบ้างคือ 1. ธรรมวิไนนี้มีการศึกษาไปตามลําดับมีการบําเพ็ญไปตามลําดับมีการปฏิบัติไปตามลําดับ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 ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวินัยนี้ละถึง 8. ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลละถึงบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลเหมือนมหาสมุทรเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ขนาดใหญ่คือปลาติมิติมิงคละระปลาติมิระมิงคลระ อสูรน้าคนทันมีลำตัวร้อยโยต์ก็มีละถึงมีลำตัวห้าร้อยโยต์ก็มีการที่ธรรมวินัยนี้เป็นที่อยู่ของผู้ใหญ่คือพระโสดาบันบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิพลละถึงบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่ออรหัตผลนี้เป็นธรรมที่น่าอาจจัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่แปดในธรรมวินัยนี้ที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้ว ตางพากันยินดีในธรรมวิไนนี้ภิกษุทั้งหลายในธรรมวิไนนี้มีธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการที่ภิกษุทั้งหลายพบเห็นแล้วต่างพากันยินดีในธรรมวิไนนี้อุปโปสถะสูตรที่10จบมหาวักที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เวรัญชสูตร 2. สีหสูตร 3. อั ส, สาชานยสูตร 4. อั ส, สะขลุมกะสูตร 5. มละสูตร 6. ทูเตยสูตร 7. วัมพันธนาสูตร 8. ทุติยพันธนาสูตร 9. ปหาราทสูตร 10. อุโปโสถสูตร